ตอนนี้เราจะได้ทราบแล้วว่าพระาศาสดาของเราเกิดมาเพื่อสอนอะไรนะสอนอริยสัจสี่นะปีนี้เราเลยมาคุยกันเรื่องปฏิจจสุบาททั้งปีนะก็มาถึงหน้า644ใกล้จบเล่มแล้วไม่รู้ว่าพวกเราท่องสายปฏิจจสุบาทกันได้หรือยังนะจะปีหนึ่งแล้ว คาถาต่างๆท่องกันได้คล่องเลยปฏิจจสุบัตยมต้องคล่องยิ่งกว่านะอืต้องอยู่ในใจเลยเรื่องนี้พระองค์ตรัสกับพระเจ้านันทยะศักกะที่นิโคธาราม <c oughs> พระเจ้านันทยศักกะได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสตาปฏยังฆะทั้งหลาย4ประการของอริยสาวกใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงอริยสาวกนั้นหรือหนอที่พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อนนันทิยะโสตาปฏยังฆะทั้งหลาย4ประการของบุคคลใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นคนนอกวง ตั้งอยู่ในฝ่ายแห่งปุถุชน <c oughs> มันเราสังเกตดีๆนะว่าผู้เจ้าใช้คำว่าบุคคลใดนะแล้วก็ไม่มีเสียเลยในโสตาปเทียงคัสสอันนี้คือปุถุชนล้วนๆเรียกว่าอยู่นอกวงเป็นคนนอกวงตั้งอยู่ในฝ่ายแห่งปุทุชน ดูประโยคต่อไปพระองค์บอกว่าดูก่อนนันทิยะอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่ใช้คำว่าอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทและเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทขอใหม่นะอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทนี่คืออริยสาวกที่อยู่ด้วยความประมาทและ เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีอยู่อย่างไรเราจะแสดงแก่เธอเธอจงฟังให้สำเร็จประโยชน์อ่าทีนี้มาเรื่องอริยสาวก <c oughs> ที่อยู่ด้วยความประมาทกับไม่ประมาทละดูก่อนนันทิยะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยพุทธอัตเวจะ จปะสาทะคือแปลว่าความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวดังนี้ว่าเพราะแม้เหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทาสั่งสอนสัตว์อริยสาวกนั้นยินดีอยู่แต่ในธรรมเพียงเท่านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อปะวิเวกในกลางวันเพื่อปฏิสาระในกลางคืนมเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทแล้วอยู่อย่างนี้ ปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีปัสสิก็ไม่มีเมื่อปัสสติไม่มีย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อนนันทิยะอย่างนี้แลอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท เพราะฉะนั้นถ้าถ้าแม้เป็นอริยบุคคล <c oughs> ในขั้นต้นแล้วเป็นเสขค่ะแล้วไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความปวิเวกในกลางวันคือหาความสงบสงัดหลีกเล้นหรือเพื่อปฏิสารณะในกลางคืนตัวนี้ <c oughs> ท่านก็ ใส่เครื่องหมาย question mark เอาไว้ว่ายังไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรแต่เราไปเจอในอพระสูตรในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้า333นะจะหมายถึงปฏิสลนะเนี่ยคือตัวโพธิปักฉิยธรรมนั่นก็คือกลางคืนเนี่ยให้เธอจเจริญสติประฐาน4ี่ที่บาท 4, สาี่สมประทาน4อินทรี5พระละห้าโพชง7อริยมรรคไองคนะ์8อย่างนี้ จเจริญโพธิปักขยธรรม37นั่นคือปฏิสารณะในเวลากลางคืนเนี่ยในพุทธพจนะหน้า3ามของคุมทรัพย์บอกภิสษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคจักประกอบชาค a ร y ยธรรมหนึ่งเนืองเป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลจักเป็นผู้ขวนขวายบำเพ็ญโพธิปักขยธรรมภาวนาตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายดังนี้เห็นไหม เพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยใช้พุทธวจนะมาตอบพุทธวจนะเวลาเราจะตอบคําพูดใดก็ตามคําถามใดก็ตามใช้คําพุเจ้ามาตอบคําพุเจ้าตอนแรกเราอ่านปฏิสาระของท่านพุทธทาสซึ่งท่านพุทธทาสไม่ยอมแปลไว้ก็ทิ้งคาไวเ้เฉยๆบอกว่าไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะหรือว่า <c oughs> ในจากพระโอษฐ์แต่ละเล่มก็สัมนวนไม่เหมือนกันบางเล่มก็แปลไว้แต่ไม่ได้แปลโดยอ้าง พุทธวจนะพระสูตรอื่นเมื่อเราไปเจอในขุมทรัพย์ตรงนี้พระองค์บอกว่าให้ปวิเวกในกลางวันปฏิสารณ์ในเวลากลางคืนกลางคืนทําอะไรตรงนี้บอกเลยเพราะนั้นคํำผู้เจ้าเนี่ยจะสอดรับกันในนี้บอกว่ากลางคืนราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายทําอะไรจะเจริญโพธิ ป, ปักจยธรรม37แค่นั้นเองตรงนี้เป็นคําตอบนะ นั้นเวลาเราศึกษาพุทธวจนะไปเรื่อยๆ เ, เราจะเจอคําตอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นระยะๆซึ่งจะแทรกอยู่ในพระ ส, สูตรนั้นพระ ส, สูตรนี้เราต้องคลุกครีมากคลุกครีบ่อยแล้วเราจะเจอคําตอบเองนะตรงนี้อาตมา ก, ก็เจอเหมือนกันนะเราเจอหลายๆเรื่องนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เราเจอซึ่งเป็นคําตอบโดยพุทธวจนะ โดยคำของพระตถาคตเองและจะเห็นว่าคำของผู้เจ้าเนี่ยจะไม่ขัดแย้งกันและมีคำตอบในคำของพระองค์เองทั้งหมดะะจะมีอีกในหน้า293แล้วก็หน้า1340อสารยสเลี้ยสัตว์จากพธะ์ภาคปลาย นั้นเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราอ่านห้าเล่มนี้ชํานาญแล้วเราจะลิงก์เชื่อมกันไปได้หมดเลยว่าผู้เจ้าตอบปัญหาตรงนี้ไว้ตรงไหนตรงไหนนะคําอะไรที่เราไม่เข้าใจจะมีพระสูตรอื่นที่บอก <c oughs> ตรงนี้เอาไว้ <c oughs> ในพระสูตรนี้บอกว่าอะไรภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีความหลีเกเล้นนะปฏิสันลานะ เป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล่นจงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมาธในภายในมีฌานอันตนไม่ละเลยประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนความยินดีในสุญญาคารอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อประพฤติกระทําเช่นนั้นอยู่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองเป็นอันเธอหวังได้คืออาลัตะผลในทิธรรมนี้หรือว่าเมื่อเชื้อเหลืออยู่ก็มีความเป็นอนาคามี นั้นอันนี้ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็จะยิ่งง่ายนะอาตอมาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อาตมาก็ใช้เปิดเอานี่แหละอาศัยจํามันได้ใน5เล่มนี้เราก็เลยเชื่อมได้ว่าอ๋อปฏิสนธิอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วเราก็เชื่อมกันได้แต่เดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ <c oughs> อาจจะไม่ต้องลําบากขนาดนั้น แล้วก็ลองกดๆ ด, ดูว่ามีปฏิสัลณะอยู่ตรงไหนบ้าง